หนทางอันแน่นอนที่จะสร้างศัตรูและวิธีหลีกเลี่ยงขณะที่โอโดโร์เวลอยู่ณธรรมเนียบไว้เฮาส์ในฐานะประธานาธิบดีเขาสารภาพว่าถ้าเขาสามารถกระทําสิ่งต่างๆถูก75ครั้งใน100ครั้งเขาจะมาถึงจุดสูงสุดแห่งความหวังของเขาเมื่อท่านผู้มีนามกระชอนที่สุดคนหนึ่งในบรรดาท่านผู้มีนามกระชอนทั้งหลายในศตวรรษที่ี่สิบ มีความหวังที่จะกระทำสิ่งต่างๆถูกต้องอย่างมากที่สุดเพียงอัตรานี้แล้วท่านและข้าพเจ้าเล่าจะหวังสักเท่าใดถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านสามารถจะกระทำสิ่งต่างๆถูกเพียงห้าสิบห้าครั้งในหนึ่งอครั้งเท่านั้นท่านจงไปที่ถนนบอนบงเล็บเปิดตลาดหุ้นบงเล็บปิดท่านจะได้ผลกำไรวันละหนึ่งล้านเหรียญซึ่งท่านสามารถจะซื้อเรือยอทและแต่งงานกับนางระบำรูปสวย ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะถูก่า55ครั้งใน100ครั้งเหตุใดท่านไปกล่าวหาว่าผู้อื่นทำผิดเล่าท่านจะกล่าวหาว่าผู้อื่นทำผิดด้วยสายตาด้วยสำเนียงหรือด้วยอากัปกิริยาก็ตามย่อมมีความหมายทํานองเดียวกับท่านลั่นวาจาออกไปและถ้าท่านกล่าวหาใครสักคนว่าเขาทำผิดท่านจะทําให้เขาผู้นั้นเห็นพ้องกับท่านว่าเขาผิดจริงหรือเปล่า ไม่เคยเลยทั้งนี้ก็เพราะการกล่าวหาของท่านเปรียบเหมือนท่านชกร่วมเข้าที่สติปัญญาของเขาดุลพินิษ์ของเขาความภูมิใจของเขาและความเคารพตนเองของเขาผลก็คือจะทำให้เขาผู้นั้นต้องการจะโต้อตอบบ้างแต่ท่านจะไม่ทำให้เขาต้องการเปลี่ยนใจของเขาเป็นอันขาดท่านอาจจะกล่าวอ้างกับเขาถึงเหตุผลทั้งหมดของเพนโตหรือของอิมานูเอลคารแม้กระนั้น ท่านก็จะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาได้เลยทั้งนี้ก็เพราะท่านทำให้เขาเจ็บใจนั่นเองอย่าเริ่มคำพูดด้วยประโยคฉันจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นวาจาที่ไม่สมควรเลยเพราะมันมีความหมายเช่นเดียวกับพูดฉันวิเศษกว่าท่านฉันจะบอกท่านสักอย่างสองอย่างเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจเสีย นั่นคือเป็นการท้าทายดีๆนี่เองมันยั่วให้ผู้ฟังมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับท่านและเกิดความต้องการที่จะเล่นงานท่านก่อนท่านจะเตรียมตัวทันเป็นสิ่งยากลําบากยากยิ่งที่จะเปลี่ยนใจของมนุษย์เราแม้จะใช้วิธีการอันอ่อนโยนละมุนละไมสักเพียงใดก็ตามเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้เหตุใดท่านจึงใช้วิธีการอันแข็งกระด้างทําไมท่านจึงกระทําในสิ่งไม่ราบรื่น ถ้าท่านต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามจงอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวเป็นอันขาดจงกระทำอย่างมีชั้นเชิงอย่างมีไหวมีพริบโดยไม่มีใครรู้สึกว่าท่านได้กระทำลงไปมนุษย์จะต้องสอนเหมือนกับท่านมิได้สอนและสิ่งใดที่เขาไม่รู้จงเสนอแกเขาเหมือนหนึ่งเขาลืมไปเช่นเดียวกับลอดเชเตอร์ฟิลสอนลูกชายเจ้าจงเป็นผู้ฉลาดกว่าผู้อื่นถ้าเจ้าสามารถเป็นเช่นนั้นได แต่อย่าได้บอกให้เขารู้ว่าเจ้าฉลาดกว่าเขาในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าไม่ค่อยจะเชื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเชื่อเมื่อยี่สิบปีมาแล้วนอกจากสูตรคูณและข้าพเจ้าเกิดความข้องใจแม้แต่ขณะข้าพเจ้าอ่านทฤษฎีของไอสไตน์อีกยี่สิบปีข้างหน้าข้าพเจ้าอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยก็ได้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนไม่ค่อยจะแน่ใจในสิ่งต่างๆดังที่ข้าพเจ้าเคยแน่ใจเมื่อก่อนนี้ โซ克拉ตีสสอนสานุสิ์ของเขาในกรุงเอเธนซ้ำซ้ำซักๆากมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ข้าพเจ้ารู้ดีนั่นคือข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลยคนอย่างข้าพเจ้าไม่มีหวังที่จะวิเศษไปกว่าโซราตรีสหรอกท่านด้วยเหตุนี้เองเข้าพเจ้าจึงเลิกบอกผู้อื่นว่าเขาผิดข้าพเจ้าได้พบความจริงว่ามีผลดีอย่างยิ่งทีเดียวถ้ามีบุคคลใดกล่าวคำพูดซึ่งท่านคิดว่าผิด หรือท่านอาจจะรู้แน่ว่าเขาผิดจริงๆก็ตามจะไม่ดีกว่าหรือที่ท่านจะพูดเดี๋ยวก่อนฟังผมก่อนผมคิดไปอีกอย่างหนึ่งแต่ผมอาจจะผิดไปก็ได้ผมมักจะผิดเสมอเสมอถ้าหากผมผิดผมอยากจะให้มันถูกต้องเสียทีเรามาพิจารณาข้อเท็จจริงกันดีกว่าคำพูดเช่นผมอาจจะผิดไปก็ได้ผมมักจะผิดเสมอเสมอเรามาพิจารณาข้อเท็จจริงกันดีกว่า เป็นคำพูดซึ่งมีอำนาจวิเศษอย่างแท้จริงในอันที่จะทำความพอใจให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีบุคคลใดบนสวรรค์ภายใต้พื้นพิภพหรือในน้ำจะคัดค้านคำพูดของท่านผมอาจจะผิดไปก็ได้เรามาพิจารณาข้อเท็จจริงกันดีกว่านั่นคือวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายใช้ปฏิบัติครั้งหนึ่งข้าพเจ้าสัมภาษณ์สเตฟานซันนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ลือนาม ซึ่งใช้เวลา11ปีตามแถบขั้วโลกเหนือและเคยดำรงชีวิตอยู่ณที่นั้นเป็นเวลา6ปีเต็มโดยมีอาหารเพียงแต่เนื้อและน้ำเท่านั้นเขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงการค้นคว้าของเขาว่าดำเนินไปอย่างไรและข้าพเจ้าถามว่าเขาใช้ความพยายามพิสูจน์อะไรบ้างจากการค้นคว้านั้นข้าพเจ้าจะไม่ลืมคำตอบของเขาเป็นอันขาดเขาพูดนักวิทยศาศาสตร์ไม่เคยพยายามจะพิสูจน์สิ่งใดเขาเพียงแต่ พยายามค้นหาข้อเท็จจริงเท่านั้นท่านอยากจะทําตนเป็นผู้ถือหลักเกณฑ์ตามแบบนี้ใช่ไหมท่านไม่มีใครมาขวางไม่ให้ท่านทําเช่นนั้นหรอกนอกจากตัวของท่านเองด้วยการยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้ผิดท่านจะไม่มีเรื่องกับใครเป็นอันขาดเพราะการพูดเช่นนี้จะยุติการถกเถียงลงอย่างสิ้นเชิงและจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้กลายเป็นคนมีความยุติธรรมและใจกว้างเหมือนท่านและจะทําให้เขายอมรับว่าตัวเขา ในทำนองเดียวกันอาจจะเป็นฝ่ายผิดด้วยก็ได้ถ้าท่านรู้อย่างแน่นอนว่าใครคนหนึ่งผิดและท่านบอกเขาอย่างไม่อ้อมค้อมท่านรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งมาให้ท่านพิจารณามิสเตอร์เอเป็นทนายความหนุ่มในนครนิวยอร์กม York, เมื่อเร็วๆนี้ได้อ้างเหตุผลในคดีซึ่งค่อนข้างสาคัญคดีหนึ่งต่อศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาวงเล็บเปิด คดีระหว่างลัดกาเตนกับบริษัทฟีดปี280 US 320งวงเล็บปิดคดีนี้ผัพวพันธ์อยู่กับเงินจำนวนค่อนข้างโตและเป็นปัญหาสำคัญทางกฎหมายระหว่างการไต่สวนผู้พิพากษาแห่งศาลสูงสุดผู้หนึ่งได้พูดกับมิสเตอร์เอสกฎหมายการเดินเรือกำหนดเวลาไว้6ปีใช่ไหมมิสเตอร์เอสนิ่งอึ้งจ้องหน้าผู้พิพากษาคนนั้นอยู่ครู่หนึ่ง ครั้นแล้วพูดอย่างไม่อ้อมค้อมใต้เท้าขอรับกฎหมายการเดินเรือไม่ได้กำหนดเวลาไว้แต่อย่างใดความเงียบสงัดได้ปรากฏขึ้นในศาลมิสเตอร์เอสกล่าวขณะเขาเล่าเรื่องนี้หน้าชั้นการศึกษาชั้นหนึ่งของข้าพเจ้าและดูคล้ายว่าอุณหภูมิภายในห้องลดต่ำลงจนถึงศูนย์แน่นอนผมเป็นฝ่ายถูกและท่านผู้พิพากษาเป็นฝ่ายผิดและผมนั่นเองเป็นคนบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาผิด การกระทำของผมทำให้ผู้พิพากษาผู้นั้นเกิดความรู้สึกเป็นมิตรกับผมไหมเปล่าเลยถูกแล้วผมพูดโดยไม่ผิดกฎหมายและพูดได้ดีกว่าที่ผมเคยพูดมาแล้วแต่ถ้อยคำของผมขาดความละมุนละไมผมพลาดไปอย่างใหญ่หลวงทีเดียวที่บอกกับผู้คงแก่เรียนและมีชื่อเสียงว่าเขาผิดมีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนที่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยเหตุผลเราส่วนมากต่างเป็นสัตว์โลกซึ่งมีอคติและลาเอียง เราส่วนมากต่างถูกรบควรด้วยความหวาดระแวงความริษยาความขี้สงสัยความกลัวความอิดชา้าและทิฐิเราส่วนใหญ่ไม่ชอบเปลี่ยนใจเกี่ยวกับศาสนาหรือเรื่องการตัดผมหรือเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์หรือเรื่องชอบดาราภาพยนตร์คนใดดังนั้นถ้าท่านมีความประสงค์จะบอกผู้อื่นว่าเขาผิดท่านจงอ่านข้อความต่อไปนี้เสียทุกๆวันก่อนกินอาหารเช้า ซึ่งคัดมาจากหนังสือให้ความรู้อย่างดียิ่งของศาสตราจารย์เยมฮาวีโรบินสันชื่อการสร้างจิตซึ่งมีดังนี้ในบางครั้งเราจะพบว่าเราเปลี่ยนใจของเราอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีเรื่องขัดใจหรือเกิดความสะเทือนใจอันรุนแรงใดๆแต่ถ้ามีใครมาบอกเราว่าเราผิดเราจะรู้สึกเิวในคำกล่าวหานั้นและใจของเราจะเกิดอาการกระด้างกระเดื่องขึ้นมา เราต่างเป็นคนที่ไม่สู้จะเอาใจใส่เสียเลยว่าความเชื่อถือของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างแต่ถ้าหากมีใครมาข่มเหงน้ําใจเราเราจะเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ใช่ความคิดของเราหรอกที่เราหวงแหนนักแต่เราหวงแหนความนับถือตนเองโดยจะไม่ยอมให้ถูกคมคู่ต่างหากคําพูดสั้นๆว่าของฉันเป็นคําพูดที่มีความสําคัญที่สุดในความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วคำพูดนี้นับว่าเป็นการเริ่มต้นไปสู่คำพูดอื่นๆที่จะต้องใช้ความไตรตรองคำพูดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทั้งนั้นแม้จะใช้กับสิ่งใดๆเช่นอาหารของฉันหมาของฉันบ้านของฉันหรือพ่อของฉันประเทศของฉันและพระเจ้าของฉันเราไม่เพียงแต่จะฉิวเมื่อถูกกล่าวหาว่านาฬิกาของเราเดินไม่เที่ยงหรือรถยนต์ของเราบุโรทั้งหากจะฉิว เมื่อถูกกล่าวหาว่าความคิดของเราในเรื่องดินฟ้าอากาศในโลกพระอังคารไม่ถูกหรืออ่านอิพิกเตตัสผิดหรือไม่รู้จากคุณค่าของการใช้ยาซาลิซีนหรือเราไม่รู้ว่าสักราชสมัยพระเจ้าซากรที่หนึ่งได้มีการแก้ไขกันเสียใหม่เราต่างปรงใจเชื่ออาศัยความเคยชินของเราในสิ่งที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นความจริงโดยจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและเราจะเกิดคุนเคือง เมื่อมีผู้ใดมาทําให้เราเกิดพิศวงสงสัยในความเชื่อถืออย่างหนึ่งอย่างใดของเราซึ่งจะเป็นเหตุให้เราหาเหตุผลมาโต้แยง้งเพื่อพิสูจน์ว่าความเชื่อ น, น, นั้นของเราถูกต้องแล้วผลก็คือเราส่วนมากในการเชื่อถือสิ่งต่างๆถ้าเราจะต้องหาเหตุผลมาโต้แย้งกับผู้อื่นเพื่อพิสูจน์ว่าเราถูกเราจะเชื่อถือในสิ่งนั้นๆต่อไปอีกเช่นเดียวกับเราได้เคยเชื่อมาแล้วครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจ้างช่างตกแต่งบ้านให้จัดการหาม่าน มาตกแต่งบ้านของข้าพเจ้าตอนข้าพเจ้ารับบินฆ่าม้านข้าพเจ้าถึงกับแทบลืมหายใจต่อมาอีกไม่กี่วันสหายหญิงคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าและมองดูม่านเหล่านั้นข้าพเจ้าบอกหล่อนถึงราคาซึ่งหล่อนอุทานด้วยสำเนียงประดุดผู้ประสบชัยชนะอะไรกันแปลกมากที่ฉันเกรงว่าเขาคงจะคิดราคาเกินไปสักพืนหนึ่งเป็นความจริงหรือเปล่าถูกแล้วหล่อนบอกความจริงแก่ข้าพเจ้าแต่มีมนุษย์อยู่น้อยคนนัก ที่ชอบฟังความจริงซึ่งส่อสแสดงถึงความผิดพลาดของตนด้วยเหตุนี้เองในฐานะข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งข้าพเจ้าจึงพยายามหาเหตุผลมาโต้แย้งข้าพเจ้าอธิบายให้หล่อนรู้ว่าของดีที่สุดราคาย่อมจะไม่ถูกที่สุดเป็นธรรมดาที่สิ่งมีคุณภาพสูงและประกอบอยู่ด้วยศิลปะอันวิจิตเพลิดเพลิงจะหาซื้อด้วยราคาต่ำไม่ได้และอื่นๆวันรุ่งขึ้นสหายหญิงอีกคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้า เมื่อได้ชมผ้าม่านเหล่านั้นเข้าหล่อนแสดงอาการสนอกสนใจอย่างแท้จริงและกล่าวแสดงความรู้สึกว่าหล่อนอยากจะให้บ้านของหล่อนตกแต่งด้วยม่านสวยวิจิตรการตาเหล่านั้นอย่างที่สุดข้าเจ้ากลับเกิดความรู้สึกตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนี่แนะ่ฉันขอบอกเธอด้วยความสัตย์จริงข้าพเจ้าพูดฉันไม่ได้ร่ำรวยพอที่จะซื้อมันบลอกราคามันแพงมากไปฉันรู้สึกเสียใจมากที่สั่งซื้อมาเมื่อเราทำผิดเราอาจจะยอมรับผิดกับตัวของเราเอง ถ้าผู้อื่นรู้จักปฏิบัติต่อเราด้วยวิธีอันละมุน ล, ละไมและถูกกาลเทสะเราอาจจะยอมรับผิดกับเขาผู้นั้นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาโดยปราศจากความสะทกสะท้านแต่เราจะไม่ยอมรับผิดเป็นอันขาดถ้ามีใครมาบังคับขู่เข็นให้เราพูดความจริงฮอริสกรีลีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้มีนามโด่งดังที่สุดในสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกามีความเห็นขัดแย้งอย่างรุนแรงกับนโยบายของประธานาธิบดีลิงคอน เขาเชื่อว่าเขาสามารถจะบังคับให้ลิงคอนหันความคิดเห็นมาสอดคล้องกับของเขาด้วยการเขียนบทความโต้แยง้งล้อเลียนและด่าว่าเขาลงบทความเล่นงานท่านประธานาธิบดีอย่างเครี้ยวกราดอยู่เช่นนี้เดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า แ, แม้กระทั่งเมื่อคืนที่ลิงคอนถูกบู๊ยิงเขายังเขียนบทความย่ะเย้ยแดกดันอย่างหยาบคายและรุนแรงโจมตีท่านประธานาธิบดีด้วยเรื่องส่วนตัวการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาหัสสากันทั้งนี้ ทำให้ลิงคอนเปลี่ยนความคิดเห็นมาทางกรีลีหรือเปล่าเปล่าเลยการยอ่อเย้ยร้อะเรียนและด่าว่าจะไม่ทําให้เกิดผลแต่ประการใดถ้าท่านต้องการคําแนะนําอันดีเยี่ยมเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้อื่นการควบคุมตัวของท่านเองและการเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะของท่านให้ดียิ่งขึ้นจงอ่านชีวประวัติของเบนจามินแฟรงคลิน ซึ่งเขียนด้วยตัวของเขาเองชีวประวัติซึ่งชวนอ่านที่สุดเรื่องหนึ่งในบรรดาชีวประวัติของบุคคลทั้งหลายที่เคยเขียนกันมาแล้วและนับว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นหนึ่งของสหรัฐในหนังสือชีวประวัติเล่มนี้เบนแฟงคลินเล่าถึงว่าเขาใช้วิธีอย่างไรในการปราบนิสัยชั่วช้าสาระเลวของเขาในการชอบโต้แยง้งจนในที่สุดเขาเปลี่ยนรูปชีวิตของเขาไปสู่นักการทูตผู้มีสมรรถภาพสูงเยี่ยมมีวาจาอ่อนหวานและมุนละไม ยิ่งกว่านักการทูดคนใดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐวันหนึ่งขณะเบนแฟรงคลินยังเป็นชายหนุ่มที่มีนิสัยขาดตกบกพร่องอยู่เพื่อนของเขาผู้หนึ่งซึ่งต่างเป็นสมาชิกของสมาคมแครกเกอร์ด้วยกันพาเขาออกไปจากที่ชุมนุมสมาชิกแล้วเคี่ยนเขาด้วยคำพูดตรงไปตรงมาเพียงไม่กี่ประโยคแต่เจ็บแสบอย่างยิ่งดังนี้เบนท่านน่ะใช้ไม่ได้เลยท่านเป็นคนชอบเถียงชอบรัน้นกับคนทุกคน ที่มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกับท่านความคิดเห็นของท่านมันฟุ่งเฟือยเหลือเฟือจนไม่มีใครเอาใจใส่เพื่อนของท่านทั้งหลายต่างมีความสนุกสนานกันเป็นอันดีในเมื่อไม่มีท่านร่วมอยู่ด้วยท่านช่างรู้ดีไปเสียร้อยสี่ร้อยอย่างจนไม่มีใครอยากจะบอกอะไรแก่ท่านที่จริงไม่มีใครต้องการจะบอกอะไรแก่ท่านหรอกเพราะการทําเช่นนั้นมักจะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนและเหน็ดเหนื่อยเหตุนี้สิ ท่านจึงไม่ควรมีความรู้เรื่องอะไรต่ออะไรมากไปกว่าที่รู้อยู่แล้วซึ่งมีอยู่เพียงเล็กน้อยเหลือเกินการกระทำอดีเยี่ยมของเบนแฟรงคลินซึ่งข้าพเจ้าพอใจอย่างยิ่งก็คือเขาต้อนรับคำด่าว่าของสหายผู้นั้นอย่างสงบเขาโตพอและมีความคิดพอที่จะตระนักว่าเป็นความจริงและสํานึกว่าการกระทาของเขาที่แล้วมาจะนำอนาคตของเขาไปสู่ความพินาศย่อยยับจากความรังเกียจเกลียดชังของสังคม ด้วยเหตุนี้เขาจึงกลับตัวเหมือนหน้ามือกับหลังมือเขาละทิ้งนิสัยทะลึ่งอวดดีและดันทุรังของเขาในทันทีทันใดข้าพเจ้าได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้แรงคลินกล่าวที่จะเล่าเว้นการคัดค้านโต้เถียงให้ผู้อื่นได้รับความสะเทือนใจหรือกล่าวยืนยันอย่างหนึ่งอย่างใดว่าข้าพเจ้าถูกและข้าพเจ้าไม่ยอมใช้คาพูดใดๆที่บงลงไปโดยชัดแจ้งว่าข้าพเจ้ามีความคิดเห็นอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงเป็นต้น แน่ทีเดียวไม่มีอะไรที่ควรสงสัยและอื่นๆข้าพเจ้าใช้คําพูดแทนว่าฉันนึกว่าฉันเข้าใจว่าหรือฉันคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้หรือพูดเท่าที่ปรากฏในเวลานี้ดูเหมือนเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยืนยันบางประการซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเขาผิดข้าพเจ้าไม่ยอมถือเป็นของสนุกที่จะขัดคอเขาในทันทีหรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดไปในทางเย้ยเย้ยความเข้าใจของเขา ข้าพเจ้าจะตอบว่าในบางกรณีหรือบางวาระความคิดเห็นของเขาอาจจะถูกต้องแต่สำหรับกรณีปัจจุบันข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายกับว่าเป็นคนละอย่างข้าพเจ้าได้พบภายในเวลาไม่นานว่าการเปลี่ยนมัญญาิในการสนทนาของข้าพเจ้านำประโยชน์มาให้อย่างเหลือขนานับกล่าวคือการสนทนาของข้าพเจ้ากับผู้อื่นดำเนินไปด้วยความกลมกลืนและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น ด้วยการใช้วิธีถ่อมตนในการแสดงความคิดเห็นช่วยให้คู่สนทนาของข้าพเจ้ายอมรับความคิดเห็นของข้าพเจ้าง่ายยิ่งขึ้นและมีการโต้แย้งน้อยลงแม้ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิดข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอับอายขายหน้าอะไรมากมายและเมื่อข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูกข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่สามารถจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้ยอมแพ้อย่างง่ายดายและมีความคิดเห็นคล้อยตามข้าพเจ้าและด้วยการใช้วิธีนี้ซึ่งในครั้งแรก ข้าพเจ้าต้องพยายามบังคับตนเองอย่างรุนแรงเพื่อเอาชนะนิสัยเดิมสุดท้ายได้กลายเป็นสิ่งไม่ลำบากอย่างใดเลยที่จะปฏิบัติและในที่สุดกลายเป็นนิสัยของข้าพเจ้าไปปรากฏว่าไม่มีใครในระยะห้ปีล่วงมานี้เคยได้ยินคําพูดดันทุรังยึดถือความคิดเห็นของตนอย่างไม่ยอมถอยหลังจากปากของข้าพเจ้าอีกเลยและเนื่องจากนิสัยอันนี้วงเล็บเปิด คือภายหลังข้าพเจ้าได้เปลี่ยนอุปนิสัยของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ววงเล็บปิดข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้อยู่เหนือสิ่งอื่นๆที่ช่วยให้ข้าพเจ้าพูดอย่างมีน้ำหนักกับเพื่อนร่วมชาติของข้าพเจ้าในการเสนอกฎหมายใหม่ๆหรือเสนอแก้กฎหมายเก่าๆทั้งเป็นสิ่งจูงใจผู้อื่นให้เลื่อมใสข้าพเจ้าในสภาแห่งรัฐเมื่อตอนข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นนักพูดที่เลวไม่เคยพูดอย่างคล่องแคล่วมักจะหยุดบ่อยๆเพื่อสรรหาถ้อยคำ ใช้ภาษาผิดๆทุกๆกระนั้นก็ตามข้าพเจ้ายังสามารถพูดได้ตรงจุดหมายเป็นส่วนใหญ่ท่านรู้ไหมว่าถ้านำวิธีของเบนแฟรงคลินมาใช้ในวงธุรกิจจะเกิดผลอย่างไรบ้างข้าพเจ้าขอายกตัวอย่างสักสองเรื่องเอฟเยมาฮันนีแห่ง134ถนนลิเบอร์ตี้นิวยอร์กทำการขายเครื่องอุปกรณ์พิเศษสำหรับกิจการค้าน้มันมีลูกค้าสาคัญคนหนึ่งที่เกาะลองไอแลนด์สั่งซื้ออุปกรณ์นี้ หลังจากพิจารณาพิมพ์เขียวชุดหนึ่งแล้วลูกค้าผู้นั้นตกลงเห็นดีเห็นชอบเขาจึงจัดสร้างเครื่องอุปกรณ์ที่กล่าวแล้วตามแบบที่ลูกค้าผู้นั้นต้องการแต่แล้วสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้เกิดขึ้นลูกค้าผู้นี้ปรึกษาหารือเรื่องนี้กับเพื่อนบางคนของเขาเพื่อนเหล่านั้นเตือนเขาว่าเขาตกลงใจผิดอย่างร้ายแรงเสียแล้วเพราะว่าเครื่องอุปกรณ์ตามแบบนั้นใช้ไม่ได้มันกว้างเกินไปสั้นเกินไปนี่เกินไปและนั่นเกินไป จากคำบอกกล่าวของเพื่อนๆ เ, เป็นเหตุให้พ่อค้าผู้นี้เป็นทุกข์จนเกิดอารมณ์เสียเขาจึงโทรศัพท์ถึงมิสเตอร์มาฮันนีและสบถสาบานว่าเขาจะไม่ยอมรับเครื่องอุปกรณ์ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างจัดสร้างผมจึงตรวจสอบสิ่งต่างๆดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้อย่างแน่นอนว่าเราเป็นฝ่ายถูกมิสเตอร์มาฮานีกล่าวในขณะเขาเล่าเรื่องนี้และผมรู้ด้วยว่าลูกค้าคนนี้และเพื่อนๆของเขาต่างไม่รู้ความเป็นจริงเรื่องเครื่องนี้ ซึ่งเขาหยิบยกเอาขึ้นมาพูดกันแต่ผมรู้สึกว่าจะเกิดเสียหายแกผมถ้าผมจะบอกกับเขาตามตรงผมเดินทางไปหาเขาที่ลองไอแลนด์ขณะผมเข้าไปในห้องสำนักงานของเขาเขาลุกพรวดพลาดขึ้นจากเก้าอี้และเดินตรงรี่มาหาผมปากพูดเร็วปรือเขามีอากับกิริยาลุกลี้ลุกลนกระทั่งระหว่างพูดเขายกกําปั้นชูขึ้นสัน่นเขาตําหนีติเตียนผมและเครื่องนั่นต่างๆนานา และจบคำพูดของเขาด้วยประโยคเอาละท่านจะทำอย่างไรต่อไปผมบอกเขาในอาการสงบว่าผมยินดีจะทำทุกอย่างตามที่เขาสั่งคุณเป็นผู้จ่ายเงินซื้อเครื่องนี้ผมพูดดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่คุณอยากได้ของที่คุณพอใจแต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้จะต้องมีใครคนหนึ่งรับผิดชอบถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกก็จงคืนพิมเขียวให้บริษัทและแม้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินไปแล้ว 2 0 0พเหรียญในการจัดสร้างเครื่องนี้ให้คุณเราก็จะต่อยมันทิ้งไปเสียเรายินดีขาดทุนสองพันเหรียญเพื่ออนุโลมตามความพอใจของคุณแต่อย่างไรเสียผมขอเตือนคุณว่าถ้าบริษัทสร้างเครื่องนี้ตามความเห็นดีเห็นชอบของคุณคุณจะต้องรับผิดชอบถ้าหากคุณให้เราสร้างต่อไปตามแผนผังของเราเองซึ่งเราเชื่ออยู่เสมอว่าเราทาได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องเราถือว่าเราเป็นฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ เขาสงบเยือกเย็ยนลงในตอนนี้สุดท้ายพูดดีแล้วสร้างต่อไปเถิดแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเรียบร้อยก็จงอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยคุณก็แล้วกันเพรากฏว่าเราสร้างได้ถูกต้องเรียบร้อยทุกประการผลก็คือเขาสั่งให้เราสร้างอุปกรณ์ชนิดเดียวกันให้เขาอีกสองเครื่องในฤดูนั้นตอนชายผู้นี้สบประมาทผมด้วยการยกกําปั้นชูสันที่หน้าผมและติเตียนผมว่าผมทํางานไม่เป็นผมต้องบังคับตนเอง จนสุดกำลังไม่โต้แย้งเขาและพยายามจะแก้ตัวผมต้องควบคุมตนเองด้วยความลำบากมากแต่ได้ผลงามอย่างที่สุดถ้าผมบอกเขาว่าเขาผิดและผมโต้แย้งเขาอาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขัดใจกันขาดทุนและจะเสียลูกค้าที่ดีไปคนหนึ่งถูกแล้วครับผมเชื่อแน่ว่าการที่จะบอกใครว่าเขาผิดเป็นการเสียประโยชน์อย่างมหัน ขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งและโปรดอย่าลืมว่าเรื่องที่ข้าเจ้านำมาอ้างเป็นหลักฐานเหล่านี้เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับผู้อื่นอีกนับจำนวนหมื่นในการนำมาปฏิบัติอาร์วีคลาวลีย์เป็นคนเดินตลาดของบริษัทค้าไม้ชื่อกาตเนอร์วเทเลอร์แห่งนิวยอร์กคลาวลีย์ยอมรับว่านับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเขาได้กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตรวจรับไม้หัวดือ้อหัวรั้นตามที่ต่าง ซึ่งบริษัทของเขานำไม้ไปส่งให้เป็นผู้ผิดเขาเคยชนะการคัดค้านโต้แย้งมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อันใดทั้งนี้ก็เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจรับไม้เหล่านั้นมิสเตอร์คลาลี่กล่าวเช่นเดียวกับผู้ตัดสินชี้ขาดในการแข่งขันเบสบอลเมื่อเขาตกลงใจอย่างไรเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนเป็นอันขาดมิสเตอร์คลาลีประจักษ์ความจริงว่าบริษัทของเขาขาดรายได้ปีละหลายพันเหรียญจากชัยชนะในการโต้แย้งของเขา ดังนั้นเมื่อเขามาเข้าศึกษาหลักสูตรนี้กับข้าพเจ้าเขาตกลงใจที่จะเปลี่ยนวิธีการและยอมเลิกโต้แยง้งเกิดผลอย่างไรหรือท่านต่อไปนี้คือเรื่องที่เราเล่าให้นักศึกษาอื่นๆในชั้นฟังเช้าวันหนึ่งมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในสำนักงานของผมมีเสียงหงุดหงิดและฉุนเฉียวของคนคนหนึ่งจากทางปลายสายอีกด้านหนึ่งแจ้งแก่ผมว่าไม้กระดานเต็มรถบรรทุก ซึ่งบริษัทส่งไปที่โรงงานของเขามีคุณภาพไม่เป็นที่พอใจทางบริษัทของเขาได้สั่งให้หยุดขนลงจากรถบรรทุกมากไปกว่าที่ขนลงแล้วและขอร้องให้ทางบริษัทของเราจัดการเอากลับคืนไปเสียจากลานเก็บไม้บริษัทของเขาทั้งนี้เป็นเพราะหลังจากขนไม้กระดานลงจากรถแล้วราวหนึ่งส่วนสี่ผู้ตรวจไม้ของเขารายงานว่าไม้มีคุณภาพต่ำกว่าชนิดที่ต้องการถึง5เเซนต เนื่องจากเหตุดังกล่าวแล้วเราจึงปฏิเสธไม่ยอมรับไม้จำนวนนี้ไว้ผมตรงแนวไปที่โรงงานนี้ในทันทีระหว่างทางผมตั้งใจว่าจะหาหนทางที่ดีที่สุดที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยในกรณีเช่นนี้ผมควรจะอ้างถึงหลักเกณฑ์เรื่องคุณภาพของไม้และพยายามในฐานะผมเองก็เคยเป็นคนตรวจไม้ที่เชี่ยวชาญมาก่อนหาเหตุผลชักจูงให้ผู้ตรวจไม้ของบริษัทนั้นเชื่อถือว่า คุณภาพไม้อยู่ในระดับที่ถูกต้องทุกประการและจะแย้งว่าเขาไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ของการตรวจไม้แต่อย่างไรก็ตามผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะลองใช้หลักการที่ได้เรียนมาปฏิบัติ ด, ดูเมื่อผมมาถึงโรงงานของบริษัทนั้นผมพบนายหน้าขายไม้กับนายตรวจไม้กำลังมีอารมณ์อันพลุ่งพล่านเข้ามาหากันโตเถียงกันอย่างชนิดเกือบจะฟาดหน้ากันกันกบผมเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปที่รถบรรทุก ซึ่งการขนไม้ยังคาราคาซังอยู่แล้วผมขอร้องให้เขาเอาไม้กระดานลงจากรถให้หมดเพื่อผมจะได้เห็นถนัดทนีว่าไม้เหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างผมขอร้องให้ผู้ตรวจไม้จัดการตรวจต่อไปขณะเขาทาการตรวจผมให้เขาคัดไม้ที่เขาหาว่าคุณภาพต่ำกองไว้ทางหนึ่งและวางไม้ที่ใช้ได้ไว้อีกทางหนึ่งหลังจากมองการตรวจของเขาอยู่ครู่หนึ่งผมพบความจริงว่าเขาตรวจอย่างเข้มงวดกวดขันมาก และกระทําโดยขาดหลักเกณฑ์ของการตรวจไม้ไม้เหล่านั้นเป็นไม้สนขาวโดยเฉพาะในเมื่อนายตรวจผู้นี้ผมรู้ว่าฝึกหัดอบรมมาสําหรับตรวจไม้ชนิดเนื้อแข็งดังนั้นจึงขาดความรู้และความชํานาญในการตรวจไม้สนขาวเรื่องไม้สนขาวผมมีความรู้อย่างดีที่สุดแต่ผมเอ่ยปากคัดค้านวิธีตรวจไม้ของนายตรวจผู้นี้หรือเปล่าเปล่าเลยแม้แต่คําเดียวผมมองเขาตรวจต่อไปเรื่อยๆครั้นแล้วผมถามว่า เหตุใดไม้บางแผ่นจึงไม่เป็นที่ถูกความประสงค์ผมไม่ได้พูดเป็นเชิงว่านายตรวจผู้นี้ผิดผมเน้นให้เขาเข้าใจว่าเหตุผลอันแท้จริงของผมที่ถามเขาก็เพื่อในภายหน้าจะได้จัดหาไม้ชนิดเดียวกับที่บริษัทของเขาพอใจส่งมาให้จากการใช้คำถามด้วยไมตรีจิตด้วยมีเจตนาที่จะร่วมมือกับเขาและรับรองตลอดเวลาว่าไม้ที่เขาคัดออกเป็นการกระทาที่ถูกต้องแล้ว ผมทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นมิตรและความตึงเครียดระหว่างเราค่อยๆละลายหายไปผมพูดด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เขาเข้าใจว่าไม้ที่คัดออกเป็นไม้ที่มีคุณภาพสมควรกับราคาที่ตกลงซื้อไว้และความต้องการแท้จริงของเขาคือไม้ที่มีคุณภาพสูงกว่ากันผมใช้ความรอบครอบอย่างที่สุดเพื่อจะไม่ให้เขาเข้าใจไปว่าผมเสนอความเห็นนี้ผลก็คือความคิดของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปจากเดิม สุดท้ายเขายอมรับว่าเขาไม่ชำนาญในเรื่องไม้สนขาวและเขาถามผมถึงเรื่องไม้เหล่านั้นแผ่นแล้วแผ่นเล่าขณะกำลังขนลงจากรถบรรทุกผมน่าจะอธิบายให้เขารู้ว่าไม้เหล่านั้นส่งมาในฐานะมีคุณภาพภายในขอบเขตที่ตกลงกันไว้แต่ผมกลับพูดแล้วพูดอีกว่าทางบริษัทผมไม่ปรารถนาจะให้เขารับไม้ที่คัดออกไว้ในเมื่อไม่ถูกความประสงค์ลงท้ายเกิดความรู้สึกว่า ตัวเขาเป็นฝ่ายผิดทุกๆครั้งที่วางแผ่นไม้คัดออกลงบนกองของมันครั้นแล้วเขามองเห็นความจริงว่าความผิดเป็นของบริษัทของเขาที่ไม่ระบุลงไปในข้อตกลงว่าต้องการไม้ชนิดดีขนาดไหนผลสุดท้ายก็คือหลังจากผมกลับไปแล้วเขาตรวจไม้ที่บรรทุกไปทั้งคันรถอีกครั้งหนึ่งตกลงรับใบทั้งหมดและส่งเช็คไปชาระเต็มจานวนเพียงระยะเวลาไม่เท่าใดจากการใช้ชั้นเชิงเพียงเล็กน้อย และความตั้งใจที่จะเล่าเว้นการกล่าวหาว่าผู้อื่นผิดได้ช่วยบริษัทของผมไว้คิดเป็นเงินหนึ่งห้าสิเหรียญและได้ช่วยไม่ให้ชื่อเสียงซึ่งคิดเป็นเงินไม่ถูกว่าเท่าใดโดยแท้จริงข้าพเจ้ามิได้นำของใหม่มาเปิดเผยแก่ท่านในบทนี้เมื่อ19เกศตรวรรษมาแล้วพระเยซูพูดจงคล้อยตามประปักของท่านโดยเร็วหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งอย่าโต้แย้งลูกค้าของท่านผัวของท่านหรือประปักของท่าน อย่าบอกเขาว่าเขาผิดอย่ายั่วให้เขาเกิดโทสะแต่จงใช้ชั้นเชิงบ้างสักเล็กน้อยเมื่อสองพันสองปีก่อนพระเยซูเกิดพระเจ้าแอคตอยแห่งประเทศอียิปต์ให้คำแนะนำแก่ลูกชายด้วยคติพจน์ซาบซึง้งคำแนะนำซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันพระเจ้าแอคตอยชาราพูดในบ่ายวันหนึ่งระหว่างดื่มเหล้าเมื่อสี่พันปีมาแล้วจงมีชั้นเชิงจะช่วยให้เจ้า เป็นผู้บรรลุชัยชนะดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านกฎที่สองมีดังนี้จงเคารพต่อความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งอย่าบอกผู้ใดว่าเขาผิดเป็นอันขาด